ากากรเมตตาการพระผู้มทในที่นี้สวัสดีเพื่อนรทุกคนคะ่ะดิฉันชื่อสุธาพรหรือที่เล่นชื่อเล็กสุดนะคะเลิ่อนสนใจในการปฏิบัติแบบสติสติแบบเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนโดยบังเอิญ น, นะคะจากขอจดหมายเุกพุทธทาตแล้วก็สนใจแบบเคลื่อนไหวเป็นยังไงก็เลยเข้ามาที่หลวงโมกนะคะ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 มีเพื่อนแนะนาค่ะมีเพื่อนเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสมบูรณ์ค่ะแนะนำมาค่ะเพราะว่าเราส่งทุกรูปไม่ใช่ทุกรูปกตาได้เห็นต้งมาได้ไหมเปิดสงไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาเรื่องนี้อันนี้เรืนี้ แต่แม่น้อมพระธรรมตอนาดหรวงมัจการพระอาจารย์และคณะสงฆ์สบดีนาปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะดิฉันชื่อบุลวดีชื่อเล่นชื่อแดงค่ะเคยปฏิบัติครั้งแรกที่วัดแพร่แสงเทียนทุกๆครั้งค่ะสองปีกว่าค่ะแล้วเคย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 สมัยวนันหน้านี่หายไปนานต้องรายงานดวงหม่ข้น้ารื่องราชการหลวงพ่อค่ะพราน้าสง์แล้วก็กัลยาณธรรมทุกท่านค่ะปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่วัดสนามในีแล้วก็ได้พบหลงพ่ออาจารย์มาอาดิเลกครั้งแรกที่วัดสนามในด้วยน่าจะยี่สิบกว่าปีมาแล้วค่ะ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 คณะสงฆ์และก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะมาปฏิบัติกับพระอาจารย์เมื่อเดือนพิษภาค้าเก9ค่ะประมาณสามถึงสี่เดือนที่แล้วปัจจุบันอยู่ในอิริยาบถย่อยแล้วก็มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอย่างเช่น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 แต่เป็นครั้งที่สองของหนูมาปฏิบัติที่นี่ครั้งแรกคือพระอาจารยโนต้ตเมื่อเดือนกมิถุนายนกรกฎาคมค่ะยังถามตัวเองว่าเรารู้สึกตัวอยู่เป็นหรือเปล่ายังมีความรู้สึกว่ายัางอย่างการยกมือหลวงพ่อมันมันยกไปได้แบบออตโต้เลยไม่ผิดเลยอ่ะแต่เราถามตัวเองว่า้ยเรารู้สึกไหมมันมีความสงสัย Okay. อ๋อค่ะย่างนางงั้นได้ค่ะได้คืไม่จำเป็นต้องไปรูปรวปรว้ว่าจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวแต่ให้รู้ใจดีแล้วก็ทําได้เรื่อยๆเป็นถือว่าใช่ได้อ๋อค่ะทําได้ดแล้วก็เพิ่งมาปฏิบัติต่อเนื่องช่วงที่ไปอาจารย์กาพลนะคะมันเกิดอ่านไปอ่านหนังสืออาจารย์แล้วกเกิดมันแบบว่ามีความรู้สึกว่าอย่างยกมือคือทุกครั้งที่ผ่านมา ไ, มไปหลากับหลวงพ่อเสร็จกลับบ้านก็คือไม่ได้ทําต่อไม่ก็าตามคอร์สไปพาาระอาจารย์นู่นพระอาจารย์นี่เนอะ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 จะเริญนสติแล้วก็เน้นการมีสติตลอดเวลาทุกอิริยาบถค่ะแล้วก็จะได้รู้แนวหลวงพ่อเทียนด้วยค่ะแต่ทีนี้ที่นี้ที่นี่จะเป็นครั้งแรกค่ะที่จะได้เรียนรู้แนวหลวงพ่อเทียนเต็มตัวค่ะจากนมัสการหลวงพ่อเดละเกแล้วพระสงทุกทุกๆลูกค่ะ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 ปฏิบัติแบบไม่ได้ปฏิบัติเทศตอนเช้าสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พาไปไหว้พระธาตุด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนวันสุดท้ายก่อนกลับวันหนึ่งท่านสอนคือก็สอนเดินจงกลมแบบสอนยกมือเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ทําแค่สอนเฉยเฉยครับนักาชการพระอาจารย์และคณะส่งทุกลูกค่ะก็ชื่อดวงพรเนี่ยค่ะมาที่นี่ครั้งแรกอะค่ะ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 เราระเบียบวิวธีการปฏิบัติที่นี่เป็นอย่างไร บ, าบ้างก็คงดูตามเพื่อนกันแล้วกันว่าเร า, เ, าเก็บโทระสับตื่นที่สี่ที่สี่ถึงที่ห้าเรามาก็กาลังกายร่วมกัน <S <S ถ้าตื่ได้นะถ้าตื่ไม่ได้ก็ที่สี่ไม่พิถันก็นมาที่ห้าก็ได้แต่ถ้ามาที่สี่ทันก็คือได้กาลังกายร่วมกันก็วันการนี้ถือว่าเป็นทำมาประจํา ตั้งแต่ต้นๆเพราะเนื่องจากเพเมื่อก่อนเคยสุขภาพไม่ดีหลังจากที่ได้เจริญสติช่วงต้นเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเพราะเวทนามันแรงต่อมาก็มาอกํำลังกายด้วยเจริญสติมาด้วยก็ควบคู่กันมาเรื่อยๆก็ทำให้การอีซีของเราร่างกายของเราเข้มแข็งขึ้ น, น, นโรคไตแพ้เก็บก็ค่อยหายไป การเจริญสติก็ทําให้เราเข้าใจแล ะ, ะก็รับตัวเองก็เลยเป็นอนิสงฆ์ให้เอาไปแบ่งปันให้กับนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็พอได้ผลด้วยแต่บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยแต่นั้นก็ไม่สําคัญเท่าที่ว่าเราได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำและรักษากายเพราะวากายนี้เปรียเส ม, มือนรถใจเป็นส ม, มือนคนขับถ้าหากว่าคนขับเก่งแต่ว่ารถมันไม่ดี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 นอกจากนั้นก็เรื่องอาหารที่นี่ส่วนใจก็เป็นอาหารเจนะอาหารอาจะมีปลามีไข่บ้างในะบางครั้งนะจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่อะไรตัวตัวนันไม่ค่อยมีนะทั้งนี้เราเอาพอทานได้ไม่ถึงกับว่าอร่อยแล้วพอกินได้พออยู่ได้ให้เบาสบายนะโดยเฉพาะอาหารเป็นส่วนที่ทำให้เกิดโรคภายใกล้เจ็บถึง8ปดสเปอร์ซนะถ้าหากว่าเราเลอกาอาหาร